Om. เชิญพรมประกาศศิธิ์ผู้พิชิตเรื่องฤทธิ์ที่เชิญพรมทุกบางที่ลูกไม่มีพระนามมาวิงวอนขอพรท่านโปรดประทานความเมตตา ฟ้าต้บาดาลกราบพรหมท่านคุ้มกันภัยลูกขอกราบวิงวอนกราบขอพอรพระทรงชัยให้ลูกสุกายใจคนรักใครฝากไมตรีอายุยืนยาวนานสุขสัรตานชั่วตาปี มีโชคชัยไม่ตรอมตรมวาจาข้าร่มคมขอพระพรอย่าตัดร้อนย่อกอนอันชุลีพวกลูกนี้กราบ เชิญองค์เทพพระพรหมเชิญเชิญเชิญลูกขอเชิญองค์เทพพระพรหม